ปฏิบัติจะทุกข์ก็ตามไม่ทุกข์ก็ตามจะยังไงก็ตามไม่สมควรที่จ ะ, ะทําให้เกิดญาณทัศนะคือปัญญาอันตรัสรู้ยอดเยี่ยมไปได้เลยคือถ้าจิตใจเป็นอย่างนี้หมกมุ่นเป็นอย่างนี้วิถีชีวิตเป็นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้รอกที่เขาจะบรรลุโสดาปติมัคสกธาคามิมัคอนาคามิมัคและอรหัตตมัคเพราะไรเพราะจิตใจหมกมุ่นอยู่กับวัตถุ ก, กามด้วยกิเลสกามหิวกระหายอยู่ในกามตลอดเวลา อันนี้เป็นข้ออุปมาอันแรกที่คิดขึ้นมาได้เนี่ยนะก็คือพวกที่นะพูดถึงสมัยก่อนที่บุคคลทั้งหลายไม่รู้แนวทางไม่รู้หนทางไม่รู้จักข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคผลนิพพานเนี่ยนะสรุปว่าก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะบรรลุเนี่ยนะอัิเวสนะยังมีอุปมาอื่นอีกที่เป็นข้อสองไม่น่าอัศจรันตเราไม่เคยได้ฟังมาในการก่อนก็แจ่มแจ้งขึ้นแก่เราว่า เหมือนอย่างว่าไม้สดชุ่มด้วยยางแต่ก็ตัดไว้บนบกยังมีบุุษคนหนึ่งเพิ่งเอาไม้นั้นไปทำเป็นไม้สีไฟอนเป็นแค่ว่าไม่ใช่เป็นไม้สดแต่ว่าไม่ได้แช่น้ำอ่ะนะถามว่าไม้สดที่เป็นไม้ชุ่มแบบยางชนิดนั้นเนี่ยเอามาสีไฟแล้วจะติดเป็นไฟได้ไหมเนี่ยนะพอจะทำติดเป็นไม้สีไฟสำเร็จได้ไหมบอกไม่ได้หรอกพระโคดมเอาทาไมจึงไม่ได้ล่ะ พระโคนมก็เพราะว่าเป็นไม้สดชุ่มด้วยยางนะนะถึงจะวางไว้ไกลบกเอ่อไกลน้ําก็จริงแต่อย่างนั้นก็เหนื่อยเปล่าเหนื่อยฟรีเพราะอะไรสียังไงมันก็ไม่เป็นไฟเว้นไว้จะไปตากแดดให้มันแห้งกริยมสนิทเลยนะแล้วค่อยเอามาสีอ น, นั้นแหละแต่ถ้าหากว่ายังสดสดอยู่อย่างนั้น่สีไปเถอสีสามวันมันก็ไม่เป็นไฟนะ่ยนะแต่ถ้าหากว่าไม้สด ไม้สดเนี่ยนะถ้ามันสีไปเรื่อยๆแล้วมันก็ความร้อนมันก็ค่อยๆเกิดเกิดเกิดเกิดพอมันเกิดมากขึ้นแล้วมันค่อยๆแห้งถ้ามันแห้งเสร็จแล้วมันติดไฟได้จริงๆแล้วเนี่ยนะใครมีประสบะการณ์ไฟเผาป่ า, ป, าป่าลึกจริงๆแล้วไม่มีใครเผา แต่ว่ากิ่งไม้ที่มันพาดติดกันเนี่ยแล้วมันก็สีกันไปลมมันก็สีทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนตอนหลังมันก็จะค่อยๆแห้งแห้งแห้งแห้งในที่สุดมันก็ติดเป็นไฟพอติดเป็นไฟเนี่ยใบไม้ข้างล่างไม่มีใครกวาดสเก็ดไฟมันก็ตกใส่แล้วก็ละลามนะครับเนี่ยแล้วก็ไม้เผาบันลายวายวอดหมดนะฮะก็ต้องต้องรอให้แห้งก่อนนะนะจนสีกว่าจะแห้งนั่นแหละจึงจะติดได้ อันนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นถ้าเป็นยังสดสดอยู่เนี่ยนะปกติสีไปเถอะสองสามชั่วโมงยังไงก็ติดไฟไม่ได้อุปมาชันใดอุปมยก็ฉันนั้นสมณะพราหมณ์บางพวกหลีกจากหลีกแต่ร่างกายแต่ใจไม่หลีกเลยเนี่ยนะนะเพราะอะไรเพราะเขามีกิเลส อ, อันมีการเป็นที่ตั้งพอใจในการเยื่อใยในการมกมุ่นในการกระหายในการกระวนกระวายอยู่ในกามพันสมณะพราหมณ์เหล่านั้นยังไม่ละแล้วไม่คิดจะละด้วยสงบระงับภายในไม่ได้ปฏิบัติจะสวยทุกขเวทนาหรือไม่สวยทุกขเวทนาทำยังไงก็ไม่คู่ควรที่จะทาะําญาณทัศนะคือโลกุตระมักให้เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นอุปมาข้อที่สองมันพวกที่บวชแต่กายแต่ใจไม่ยอมบวช นะพวกที่บวชแต่กายใจไม่ยอมบวชจิตใจหมกมุ่นสยบอยู่ในกามปฏิบัติยังไงก็ไม่บรรลุโลกุตรธรรมว่างั้นอ่ะเพราะอะไรเพราะใจไม่น้อมออกถ้าใจไม่น้อมออกบรรลุไม่ได้หรอกอุปมาข้อที่สก็เกิดขึ้นอีกว่าอักขิเวสนาะเหมือนไม้แห้งผากแปลว่าไม้แห้งสนิทบุคคลวางไว้บนบกไกลจากน้ําบุรุษคนหนึ่งเอามาทําเป็นไม้สีใย ถามว่าเขาสา ม, มารถที่จะเอาไม้แห้งผากวางไว้ไกลน้ํามาสีไฟให้ไฟติดได้ไหมบอกใช่อย่างนั้นแหละพระโคโดมทําไมล่ะก็เพราะว่าไม้นั้นแห้งผากวางไว้ไกลน้ําอัคิเวสนะอุปมาฉันใดอุปไมย ก, ก็ฉันนั้นสมณพราหมณ์บางพวกพวกใดพวกหนึ่งออกจากกามในส่วนกายได้กิเลสกรรม ก็ไม่หมกไม่อยู่ในภายในเนี่ยนะคือกิเลสกรรมทั้งหลายพอใจในกรารเยื่อใยญในกรารมหมกมุ่นในกรารมความกระหายในกรามกรมกวนกไวยในกรารมสมณะพราหมณ์เหล่านั้นละเสียได้ด้วยดีระ ง, งับเสียได้ด้วยดีอยู่ณภายในเพรา ะ, ะสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเนี่ยจะเสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งเจ็บปวดที่เกิดจากความพยายามสมณะพราหมณ์พวกนั้นควรแท้ที่จะมีปัญญา รรู้เนี่ยนะพราะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากายก็หลีกใจก็หลีกจากการมถ้าประพฤติปฏิบัตินี่แหละสมควรที่จะบรรลุโลกุตระมักได้พอความคิดอย่างนี้เสร็จเนี่ยนะอาคีเวสนะเราก็มีความปริวิตกว่าถ้าการะไรเราพึงขบฝันไว้ด้วยฝันอันนี้เริ่มทำทุกขะกิริยาแล้วใช่ไหมเพื่อจะเสวยความเจ็บปวดอย่างสุดซึ้งอ่างนั้นนะกัดฟันด้วยฟันเนี่ยนะ กดเพดานไว้ด้วยลิ้นคมอกุศลจิตไว้กับกุศลจิตบีบให้แน่นรัดทําให้ร้อนจัดอยู่อัคขิเวสนะเมื่อเรากําลังขบคือกัดฟันด้วยฟันกดเพดานไว้ด้วยลิ้นคมอกุศลจิตด้วยกุศลจิตบีบไว้ให้แน่นให้ร้อนจัดอยู่ในภายในเงื่อก็ไหลออกจากรักแร้อักขิเวสนะเปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังจับบุรุษที่ถอยกําลังลงกว่า จับที่ศีรษะหรือที่คอแล้วก็บีกกดไว้ให้ร้อนจัดเนี่ยนะเรบีกกดแหมเงื้อแตกพลักเลยนะอคกิเวสณนะเรานั้นแหลกําลังขบฟันด้วยฟันกดเพดานไว้ด้วยเล้นคมจิตคมอกุศลจิตไว้ด้วยกุศลจิตบีปไปแน่นให้ร้อนจัดอยู่เงื้อก็ไหลออกจากรักแร้ฉันนั้นเหมือนกันอคกิเวสณนะก็แต่ความเพียรที่เราได้เริ่มไว้แล้วเนี่ยนะยังคงอยู่ ไม่มีความย่อหย่อนเลยนนะความเพียรที่ตั้งเอาไว้นี่ไม่ย่อหย่อนสติที่ตั้งเอาไว้ก็จะฟั่นเฟือนหลงลืมก็ไม่ได้แต่ว่าร่างกายที่ตั้งไว้ด้วยความเพียรที่รุนแรงเกินไปก็ไม่สงบอานาสภาพจิตนี้ไม่สงบไม่มีกายปัสธิจิตตปัสธิเลยไม่เผลอไม่เลอะลืมไม่หลงเลือนไม่ฟั่นเฟือนแต่ก็ไม่สงบฟุ้งซ่านเพราะอะไร เพราะแรงกดแรงบีบแรงคันกัดฟันด้วยฟันกดเพดานด้วยลิ้นขมจิตด้วยจิตบีให้รัดแน่นเนี่ยนะทำให้จิตไม่สงบก็แปลว่าฟุงา้งซ่านเมื่อกำลังความเพียรที่เกิดทุกขนั่นแลเจาะแทงครอบงำสติเราก็ปรากฏอยู่หรือก็มีสติอยู่อคีเวสนะทุกขเวทนาเห็นป่านนั้นเกิดขึ้นแก่เราก็ไม่ครอบงาจิตของเราตั้งอยู่เพราะเราไม่ยอมจานนตกอยู่ภายใต้อานาจของ ความทุกข์บางคนเนี่ยทุกข์ขนาดนี้ว่าแกล้งป่วยส่งไปเลยเนี่ยนะตัวร้อนนิดหนึ่งเอากระดาษเอ า, เอ า, เอามือแตะหน้าผากโอ๊ยร้อนป่วยแน่นอนป่วยส่งเลยนอนดีกว่าเพราะป่วยแล้วเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ไม่ใช่คนกลุ่มนะั้นไม่ใช่ไหมเ อ, อะอะอ้างป่วยซะได้เนี่ยนะน้ำมูกไหลนิดบอกวันนี้ป่วยเรียบร้อยแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วแผลเลยเนี่ยนะไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทุกขเวทนานเหล่านั้นก็ไม่ได้ครอบงาำจิตทก่เรียกว่าท่วมทับอยู่ภายแรงนะสยบหมกมุ่นแหมยอมสยบให้แก่ ความทุกข์แค่นั้นะนะไม่อัคีเวสนะเราก็ได้มีความปริวิตกขึ้นอีกว่าถ้ากครเราพึงเพ่งชนะนะเอาความหมายไม่หายใจเป็นอารมณ์เรียกว่าอัปปาทกะฌานฌานที่ไม่ต้องหายใจแปลว่ากลั้นลมหายใจครั้นเราปริวิตกอย่างนั้นแล้วก็กลั้นลมอัศสะปัศสาส ะ, สาสะกลั้นลมหายใจทางปากทางจมูกคือเรียกว่ากลั้นลมหายใจเข้าออกน่นะ อคิเวสนะครั้นลมอัดสาสะปัดสาสะที่เรากลั้นทางปากและจมูกแล้วเสียงลมที่ออกตามช่องหูก็ดังเหลื้อประมาณเนี่ยนะพอกลั้นลมก็เสียงก็ลมออกที่หูเปรียบเหมือนเสียงลมในลำสู่แผงนายช่างทองกําลังสูบไปมาอยู่ฉันใดหูอื้อเลยแนวดังฟู่ฟูภายในหูเนี่ยนะอัิเวสนะ มันก็จริงนะเพราะว่าท่อหูกับท่อจมูกเนี่ยมันไหลเชื่อมกันอยู่เพราะฉะนั้นพอพอกลั้นลมหายใจเข้าเนี่ยนะพอกลั้นเนี่ยลมมันก็ออกหูเลยบางนรณ์ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันมีท่อที่ส่งท่อต่อกันมาเชื่อมกันอยู่เนี่ยนะมันก็ลมลมที่ช่องหูมก็ดังอู้เอ้ออัิเวสนะครั้นลมที่เรากลั้นทางปากทางจมูกกลั้นลมหายใจเสียงลมที่ออกตามช่องหูก็ดังเลือประมาณเหมือนกับ ลมครรวาลมในกระบอกสูบของช่างช่งทองอักขิเวสนะแต่ความเพียรที่เราได้เริ่มตั้งไว้แล้วยังคงที่อยู่จะยอ่อหย่อนก็หามีได้คือไม่ยอ่อหย่อนเลยสติที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็ไม่ฟั่นเฟือนกายที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็แต่ว่ากายที่ตั้งไว้ไม่สงบเลยเพราะอะไรเพราะคนที่กลั้นลมหายใจลมออกหูเนี่ยมันจะสงบร่างกายได้อย่างไร เมื่อกำลังความเพียรที่ให้เกิดทุกขนั้นแหละเจาะแทงเราอยู่อคีเวสนะทุกขเวทนาถึงปานนั้นที่เกิดขึ้นแก่เราเราก็ไม่ครอบงำจิตของเราตั้งอยู่เลยเนี่ยนะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยทุกเนี่ยนะตอนเป็นพระโพธิสัตว์ความทุกเหล่านั้นก็มีอยู่แต่พระองค์ก็ไม่สยบตกอยู่ภายใต้อำนาจของความทุกขทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะ อคกิเวสณนะเรานั้นได้มีความปริวิตกถึงเรื่องนี้ว่าถ้ า, าอะไรเราพึ่งเราพึงเพ่งอปาทกะชานโดยไม่หายใจเป็นอารมณ์แลอคกิเวสนะครั้นเราปริวิตกอย่างนั้นแล้วก็กลั้นลมหายใจเข้าหายใจออกกลั้นลมทั้งทางปากทางหูทางจมูกทางหูกลั้นสามถาวรเลย อคีเวสนะเมื่อเรากลั้นลมหายใจเข้าออกทางปากทางจมูกทางหูแล้วลมกล้าเหลือประมาณได้ดังเข้าไปในสมองคกว่ามันตีขึ้นเนี่ยนะเมื่อลมมันตีขึ้นทำไงปวดหัวสิเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังเอาเหล็กแหลมคมเนี่ยทิ่มเข้าไปในสมองแล้วก็คว้านเนี่ยนะมันเจ็บปวดอย่างไรพอกลั้นลมหายใจทางปากทางจมูกทางหู การกว่าลมกล้าก็ดังในสมองเหลือประมาณก็กว่ามันเจ็บปวดอยู่ในสมองปวดหัวอย่างรุนแรงเนี่ยนะความเพียรที่เราตั้งไว้แล้วก็ยังคงอยู่ไม่ย่อหย่อนส ต, ติที่ตั้งไว้แล้วก็ไม่ฟัน่นเฟือนแต่กายที่ตั้งไว้ด้วยความเพียรทรมานแบบนี้ไม่สงบเมื่อกําลังความเพียร น, นั้นอะทำให้เกิดความทุกเจาะแทงอยู่อคกเวสนะถึงทุกเห็นป่านนั้นก็ไม่ครอบงําจิตของเรา ตั้งอยู่เนี่ยนะบางคนนี่วิปริตเลยนะบางคนเนี่ยถ้ามีความทุกข์แบบนี้เพี้ยนเลย น, นะพอได้รับความทุกข์บ้างเนี่ยนะปวดหัวอย่างรุนแรงนี่ก็เสียสติวิปราสไปเลยแต่พระโพธิสัตว์ไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะอคีเวสนาะเรานั้นได้มีความปริวิตตกถึงอย่างนี้ขึ้นมาอีกว่าถ้ากะไรเราพึงเพ่งอปาทกะฌานโดยไม่หายใจต่อวิ่งเนี่ยนะ แต่ก็มาผ่อนหายใจบ้างะนะเพราะไม่ได้การปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้การฆ่าตัวตายแต่เอาแค่เกือบตายก็ผ่อนคลายแล้วเริ่มใหม่อย่างเง้นะเอาแค่เกือบตายก็พอไม่เอาจนตายเลยนะเพราะเอาจนตายก็แล้วไม่ได้ดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมถ้าตายก็ไม่ใช่ชาติสุดท้ายสิท่านนะอะคีเวสนะ ครั้นเราปริเวตกฉะนั้นแล้วก็กลั้นลมอัศสาสะปัสสาสะกลั้นทางปากทางจมูกทางหูอักขิเวสนะเมื่อเรากลั้นลมอัศาสะปัสสาสะกลั้นลมหายใจทางปากทางจมูกทางหูปวดศีรษะเหลือทนไอข้อแรกก็คือเหมือนกับแม้เอาเหล็กแหลมจิ้มเข้าไปในหัวเหมงอนกันอันนี้ปวดศีษะปวดแบบไหนเหมือนบุรุษที่รัดศีรษะด้วยชนะเนี่ยนะเอาเชือกมาแล้วก็หมุนเกลียวขันชนะบีปัะดศีรษะเข้าไปฉะนั้น แต่ถึงเราจะกลั้นลมหายใจทางปากทางจมูกทางหูปวดหัวเหลือทนแต่ความเพียรที่ตั้งไว้ก็ไม่ย่อย่อนสติที่ตั้งไว้แล้วก็ไม่ฟั่นเฟือนหลงลืมแต่กายที่ตั้งไว้มันไม่สงบเพราะอะไรเพราะกําลังความเพียรที่ทําให้เกิดความทุกข์ความทุกข์อ น, นั้นที่มาจากความเพียรเนี่ยเจาะแทงอยู่อคิเวสณนะถึงทุกขเห็นปาณ น, นั้นที่เกิดขึ้นแก่เราก็ไม่ครอบงําจิตของเราตั้งอยู่ ใ น, นถามมาเลิกก็ออยังบอกอยังอคิเวสณนาะเราก็ปริวิตกในเรื่องนี้อีกว่าถ้าะไรเราพึงเพ่งฌานที่กลั้นลมหายใจต่อไปอีกอคีเวสณนะครั้นเราปริวิตกอย่างนี้ก็กลั้นลมหายใจเข้าออกทางปากทางจมูกและทางหูเมื่อเรากลั้นลมหายใจเข้าออกทางปากทางจมูกทางหูแล้วลมกล้าเหลือประมาณ ก็เสียดท้องตอนแรกตอนนั่นขึ้นหัวใช่ไหมนี้ลงท้องอีกแล้วเนี่ยนะแหมลไส้สแข็งกระแมงเกลียวไปหมดเลยเนี่ยนะบิดหน้าดูเลยไส้อะเปรียบเหมือนนายโคคาดหรือลูกมือของนายโคคาาที่เป็นคนขยันพึงเชือดพื้นอุทองแล้วเอามีดจิ้มท้องแล้วก็เชือดแล้วก็คว้านเข้าไปในช่องท้องอ่ะนะเห็นพวกซามูไรคว้านท้องไม่แบบนั้นนะ จิ้มไใ น, นท้องแล้วก็ควานบาแบบแหมลมมันเสียดปวดท้องแบบนั้นแหละนะแสดงว่าพวกที่เป็นโรคกระเพาะ น, นี่บอกเล็กน้อยนะเหมือนมีดควานท้องเนี่ยโอ้ยหนัก ก, กับโรคกระเพาะหลายเท่านักเหมือนน อคิเวสนาะเมื่อเรากลั้นลมหายใจเข้าหายใจออกทางจมูกทางปากทางหูลมกล้าเหลือประมาณก็เสียดในท้องฉะ น, นั้นเหมือนกันแต่ความเพียรที่ตั้งเอาไว้ไม่ย่อหย่อนสติที่ตั้งเอาไว้ก็ไม่ฟั่นเฟือนกายที่ตั้งเอาไว้ก็ไม่แต่ว่าร่างกายที่ตั้งไว้มันไม่สงบเพราะอะไรเพราะความเพียรที่กลั้นลมหายใจนี้ทําให้เกิดทุกขเวทนาเจาะแทงอยู่อคีเวสนาะทุกขเวทนาเห็นป่านั้นที่เกิดแก่เรา ก็ไม่ครอบงําจิตของเราคือว่าไม่ยอมะนะถ้าบางคนเนี่ยโอ้ตายแน่งานนี้โรคกระเพาะบางทีมันเจ็บแค่นิดเดียวนะั้นคิดเลยเถิดเลยทงไปจนเสียหายไปเลยก็มีแต่พระองค์ไม่อย่างนั้นเนี่ยนะพิจารณาเฉพาะเท่าที่มันเป็นจริงอาคีเวสนะเรานั้นก็มีความปริวิตกอย่างนี้อีกว่าถ้าการะเราเพึงเพ่งฌานโดยไม่ต้องหายใจคือว่ากลั้นลมหายใจเข้าออกแล้อวอัปาทกะฌานอีกต่อไป อคิเวสะครั้นเราปริวิตรกชนีแล้วก็กลั้นลมหายใจเข้าหายใจออกกลั้นลมทางปากทางจมูกทางหูก็ให้เกิดความร้อนเหลือทนคือร่างกายก็เกิดความร้อนขึ้นมาทั่วร่างกายเปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังสองคนช่วยจับบุรุษคนที่มีกําลังอ่อนเอกว่าเข้าที่แขนข้างล่าง แล้วก็เอาไปเอาไปย่างเอาไปรมไว้ที่ลุมฐานเพลิงก็ถูกปิ้งอ่ะนะเหมือนไก่ปิ้งเหมือนไก่หมุอนอ่ะนะม็ม้นกระว่าร้อนระอุงเหงื่อก็ท่วมหยดติ้งๆิงิงแหละกรว่าเหมือนถูกย่าง